ขอเจริญพรแด่บรรดาญาติโยมทุก <c oughs> <c oughs> อุดมผลเราก็จะได้ฟังธรรมะกันการฟังธรรมะนั้นก็เพื่อให้เราได้เกิดสติปัญญารู้จักผิดชอบชั่วดีบรมสารีริกธาตุแล้ว ที่แท้จริงแท้จริงนั้น 38 ประการเกี่ยวกับมงคลๆ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้แล้ว เป็นมงคลที่เราสมมุติขึ้นมาคือความ เอ่อนี่ 4 แล้วแล้วเรา ของชีวิตถ้าหากว่าคือ การที่เราได้ทําบุญไว้แต่ บุญกุศลเหล่านั้นจะช่วย นิพพานคือต่างๆอ่าหรือว่าที่ <c oughs> แต่ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกของพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ไม่ได้ความสุขในมนุสสมบัติทั้งพร้อม สั่งสมมาแล้วอ่าเรียกว่าชีวิตเรา <c oughs> บุญบารมีที่เรากิจการๆก็อ่า <c oughs> ทางนี้ทางนี้ทําเราบุญอ่า อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญนี้คือสมัย ที่ไม่ได้กําไรแล้ว สิ่งของแล้ว 1 2 ให้ <c> 3 <oughs> ต่อสมณพราหมณ์ผู้มีศีลนะเรียกว่าให้ขออะไรได้เมื่อถูกสมณพราหมณ์ การทํามาค้าขายนั้นขาดทุน อุเปจกะตปุญญตาเอ่อคือบุญอ่า แล้วว่าโคที่ใช้งานเนี่ยอย่างละๆแก่ให้ ว่าให้เนี่ยแต่พอปิดคอกแล้วเนี่ยปูก็ยังกระโดด <c oughs> ถวายเกินไปอีกหน่อยอีกหน่อยเหล่า <c oughs> วะดีแล้วอ่าแต่ปังก่อนนั้นดอกว่าเราไม่ <c oughs> นั้นสิ่งเหล่านี้ต้องประกอบกันสิ่งเหล่านี้เหมือน ที่ศาปะโมกที่เมืองตักกศิลาเมื่อจบให้ซึ่งเป็นถ้า <c oughs> จะต้องมอบให้เป็นภรรยาของศิษย์ผู้ใหญ่เออคือ นางทิดาของทิสาปราโมกเป็นผู้มีรูป ติสสาปาโมกนั้นเป็นผู้เนี่ยทําให้รู้สึกนั้น <c oughs> เวลาที่นอนร่วมล่างอ่านางลงมา เออคือจากนอนขึ้นนอนลงกันอยู่อย่างงี้มิจิลาแล้วก็ต้องพา แต่ก็เกรงเกรงใจจารย์หรือว่าเกรง ส่วนนางอุทุมพรอยู่ข้างล่างนี่ก็ตะโกนร้องบอกให้ก็ นั้นเมื่อนางอืมอุทุมพรได้ฟังอย่างโดย คิดว่าตนเองเนี่ยพ้นทุกข์เสีย นั้นพระเจ้าวิเทหราชแล้ว เออหรือได้ของพระเจ้าวิเทหราชอันนี้ด้วยบุญในก็ <c oughs> อยู่ด้วยกันไม่ได้นางเป็นผู้ได้ แล้วก็ทําให้ความรังเกียจในตัวนางเพราะของ อนาบินิกะเอ่อคือเรื่องพราหมณ์ ไปจนแล้วก็มาร่ําไป 45 พระเจ้าคือบอกแบบไม่ต้องการที่จะขายนี่บอกแบบไม่ขายคือบอกบอกถ้า 45 เจ้าเเชดก็จริงณ500 500, 500 ยากจนลงอ่าเพราะคือ ลูก 500 รูปอ่าต่อๆ ก็ยังคือถวายด้วยน้ำผักตองถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ <c oughs> อาศัยว่าเอ่อมีที่ยากจนลงอันนี้พอไปทําบุญทํา เทวดานั้นก็บอกว่าเค้า เพราะใครมาพูดตำริพระรัตนไตยหรือจะพูด ศีลของอนาถบิณฑิกะซึ่งเป็นพระโสดาบันนั้นมีอานุภาพมากกว่า <c oughs> อ่าพระโลหะอนาบินกะเศรษฐีนั้นอ่าเป็นพระโสดาบันนั้น อ่าโทงทับ 15 โกดน่ะคือให้เป็นเสมียนคือคราวโกดอ่าเอลดา อ่าเศรษฐีคือเศรษฐีก็ได้ นั่นเนี่ยอันเนี้ยน่ะ จากอนาบินทิกะเศรษฐีเอ่อปรามนี้ว่าเป็นผู้ สิริก็อยู่ที่งอนไก่นั้นคือพราหมณ์ ก็ไปขอแก้วมณีขออนาภินิกะอีก ที่ไปอาศัยอยู่ที่มวยผมนั้น ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นั้นสิรินี้ก็อยู่กับ นั้นสิ่งเหล่าเนี้ยเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือน อ่ะได้ทิดาของทิศาป่าโมกเหมือน เป็นอาชีพในการหักฟืนขายเนี่ยอ่า มีไก่นอนหรือว่าไก่อาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ก็บอกว่าเราเองไม่ได้พิจารณา ถ้าหากว่าใครได้กินเราจะได้ทรัพย์ 1,000 เป็นสตรีก็จะได้เป็นขุนคลังจะได้เป็น รู้ความจริงนั้นก็จริงปิ้งเมื่อ ไก่นั้นไปอาบน้ำมีอนุภาพมากนั้นเราต้องไป 2 คลื่นอ่าน้ํานั้นเป็นคลื่น น้ำช้างมาอาบน้ําอยู่ภายใต้ลําธารนั้นอ่าคือ อ่า 2 นั้น ก็จึงรีบไปสู่ใน 7 วัน อัญชลัยเป็นเอ่อพระราชา 3 วัน 3 วันนคร พระเจ้ากรุงพาราณสี พระราชาพระเจ้ากุมารสีนั้นสิ้น ไพโบกเสนามาตทั้งหลายก็ ตามมนุภาพของเนื้อไก่เอ่อที่ได้กินนะนี้เหมือนชายตัดปืนเรื่อง ได้เนื้อไก่แล้วรู้อานุภาพของเนื้อ แต่ด้วยบุญบารมีที่บุญ <c oughs> จะสุขจะทุกจะสุขจะทุกข์จะได้ราบได้ยศ ถ้าว่าเราไม่มีบุญอะไร ได้ไก่แล้วก็ไม่ได้กินไม่ได้ มงคลโดยสมมุติวันดีเวลาดีคิดว่าเราจะเปิด <ม. S 1> บุพเพคือบุญที่ทําไว้ปางก่อนเนี่ยเป็นมงคลๆส่วนมงคลที่เราหากันนี่ฤก คือติดสิ่งสมมุติในโลกเนี่ย เราเนี่ยเรานานเพราะเราไปยึดติดยึดติดกับมงคลที่โลกสมุทร ต้องเราคิดว่ามันดีตามฤกตามยามอ่าเราคิด ที่วันเวลาอะไรเนี่ยเราสมมุติมันเรียกว่าๆวันไม่รู้ไม่มี เรเราก็ไม่ทําพอเราไปติดสมมุติ ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีบุญที่อบรมสั่งสมมามีบุญอ่าไม่มีบุญที่ๆก็ ไม่ใช่ความจริงแท้ความจริงแท้นั้นความคือ เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยได้แปลงไปตามเหตุตามปัจจัยได้เอ่อมันชื่อตัว และสมมุติอันนี้พอเราไม่ชอบชื่อนี้ละชื่อแดงไม่เอาละไม่ชอบ เราเอ่อสมมุติให้เป็นวัดนมตุมชื่อวัดนมตุมมันมีอยู่ ว่าหน้าประตูนั้นก็จะอ่าทิ้งชื่อใหม่ เออป่านชื่อไปแล้วมันก็ไม่ พอเราไปติดสมมุติเหมือนกันเลยว่าอันนี้เป็นคําหยาบ สักตวะเสียงเอ่อถ้าโดยเอ่อโดยปรมัตถ์ธรรมเนี่ย ไม่มีตัวตนตัวตนไปอยู่ที่ไหนไม่มีตัวตนตัวตนไปอยู่ที่ไหนอ่านี้เราก็อ่าอ่าคน ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไว้กับ